ข้าใจดีข้าใจดีว่าไม่มีอะไรคือว่าคือเป็นของธรรมชาติที่องค์พระมารเจ้าท่านได้เรียนธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาตินั้นคือเป็นที่ว่าท่านได้มาอยู่กับธรรมชาติให้ท่านเรียนธรรมชาติได้เห็นคือแก่เจ็บและตายได้เห็นอ่าแก่ท่านโอมโอมร่างกายเป็น ร่างกายยัเป็นเป็นอาจารย์ขององค์ธรรมาพุทธเจ้าว่าคือว่าจะบาปธรมธรมพระธรรมพระธรรมนั่นคือร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพระธรรมดังนั้นและถ้าในเรียนพระธรรมและพระธรรมเป็นอาจารย์ขององค์ธรรมาพุทธเจ้าแล้วคือในร่างกายของเรานั้นมีพระพุทแพธและปัจธรรมและพระสงฆ์ เรานอบน้อมต่อพระธรรมคือนอบน้อมตัวของเราตัวของเราไม่ใช่ของไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเป็นของพระธรรมถึงองค์ธรรมพุญเจ้าเรียนจบเรื่องพระธรรมแล้วท่านจะท่านจะอะท่านจะเอาอ จิตของท่านนั่นและจะไปมิผ่านนั่นเพราะอเพราะท่านไม่เอาอะไรในโลกนี้เป็นของพระธรรมท่านของธรรมชาติทั้งนั้นได้อินว่าเอาเถอดที่เราปฏิบัตินั้นคือเราอยู่กับพระพุทธและพระธรรมพระสงฆ์เราน้อมน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราขึ้นมารักษาพระพุทธเจ้าคือรักษาจิตใจ ของรอยสร้างอาถรรพ์บริสุทธิ์นั้นและก็ถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวในใจของเราแล้วเราพบ พ, พุทธเจ้าแล้วและเราพบพระธรรมแล้วเราพบพระสงฆ์แล้วคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเป็นที่พึ่งของเราและต่อไปคือธรรมชาติอยู่อย่างนี้และคือเราออกจากธรรมชาติและเราจะได้ไปนิพพานไปด้วยใจพุท ธ, ธะนั่นแหละนั่นอย่างนั้นและเราจะได้ เราเข้าถึงพระธรรมแล้วพระธรรมก็รักษาเราพระธรรมเขาดูดูแลเราเราต้องดูเลยพระธรรมดูดูแลร่างกายของเรานั้นแรกคือดูแลพระพระธรรมและเราอยู่เลยพระพุทธและพระพุทธเจ้าของเรานั้นและเรารักขึ้นมารักษาพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เราขึ้นมารักษาพุทธเจ้าแล้วรักษาใจของพุทธเจ้าแล้วและต่อไปเราจะไปอยู่พระพุทธเจ้าเพราะเรารักษาพุทธเจ้าเราจะไม่ตำชั่วเด็ดขาดนี่จะตำใจทิ้งนี่ดี ให้บับพุทธเจ้าเราอยู่บับพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะรับเราเละไปอยู่กับท่านนี่และโลกเกิเขอเขาชรบายเราไม่มีอันใดที่มาจาับกลัวแล้วเพราะถูกเห็นทุกอย่าง ท, ท, ท, ท, ท, ที่องค์ธรรมะพุทธเจ้าจะเห็นหมดแล้วในโลกนี้คือคือท่านเป็นอาจารย์ขององค์ธรรมะพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยท่านในเรียนได้เรีย น, นาธรรมชาติและท่านจะออกธรรมชาติแล้วนี่ท่านก็จะอ่าเอนี่เลยคือทา่า เ, เป็นอย่างไร เอเอนี่คือท่านครัก็คือกระ บ, บอกอาจารย์ที่ครันี่เหมือนเหมือนกับอ่าลวงพ่อนี่คือว่าหมดแลหมดความคิดหมดคมดมความคิดหมดความทุกข์ถ้าเราม่คิดไม่ทุกข์อีคิดเพราะอะไรพอพอาะคิดมันทุกข์ทุกข์แล้วมันนอนเขาไม่หลับ คิดแล้วมันเรื่องนั้นเรื่องนี้มันแต่งเรื่องมามากเดียบนี่เรามาคิดแล้วเราอยู่กับพวกที่เจ้าเรามาคิดอะไรเลมันรู้เองเห็นแล้วรู้เห็นแล้วรู้เห็นอะไรเดี๋ยวนี้เราเห็นอะไรเรารู้แล้วคือธรรมชาติสอนอันนี้เราเห็นเรานั่งเห็นเราพูดเคยพูดเราไม่ได้พูด เราไม่ได้นั่งคือธรรมชาติทั้งนั้นคือของเราแค่กินอรเอยใจของพระพุทธเจ้าท่านเจ้าแลอย่างเดียวอร่อยทั้งหลายทุกสิ่งอยไม่ได้เป็นของเราเราเพียงได้ดูทั้งนั้นและเราได้ดูแลแลว้วเราจะได้ได้ออกจากออกจากความทุกข์ออกจากความความคิด นี่และไม่มีอะไรจะอยู่กับเราแล้วนี้และคือเราจะเราจะพ้นทุกข์ได้เพราะเราไม่ยึดอ่าไม่ยึดจากไม่ยึดความคิดไม่ไม่ยึดโกรธก็ไม่มีโลภก็ไม่มีหลงก็ไม่มีไม่มีอะไรแล้วเลศนี้และคือเราจะอันเดียวเลย จิตเดียวอันเดียวแล้วนี่คือจิตของพุท ธ, ธแท้จริงคืออันเดียว่าถ้าเราคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ไม่ใช่เจญของเราและใจของธรรมชาติเราพยา ย, า, ยามโอาใจเดียวเลยเจยอันประเสริฐใจของพุท ธ, ธถ้าเราไม่ใจนี้แล้วเราจะหน้าทุกข์ทุกอย่างเราไม่ต้องกลัวอะไรเพราะใจพุทธเจ้ารู้ทุกขงทุกอย่างแล้วนี่อย่างนี้และคือเราเขาใชด้อ่าเราจะไม่ทุกข์อะไรเลย นี่แหลเราว่างหมดเลยว่างจากโลกนี้แลว้วว่างจากโลกนี้ป่อยว่างแล้วมันมม่มีอะไรจะรบกวนเราได้แล้วนี่นั่นคือเราจะไปนิพพานตรงนี้แหละเราจะพ้นทุกตรงนี้ทุกตอนเราว่างเรามาเรามาอยู่เราว่างไม่มีอะไรเราก็ไปทางว่างเหมือนกันเรามาไม่พาอะไรไปมาแต่ว่างและปล่อยไปแต่ว่างไม่ติดอะไรติดกับ เ, เราไปแลว้วถ้าเราไม่ว่างเราก็เวียนว่ายใเกิด นี่เรามาว่างอะไรเราปล่อยเขาว่างปล่อ ย, kilos, ย BE, พบไม่มีอะไรกะติดตัวเราปล่อย ransom. นี่แล้วอย่างนี้แหละคือเราจับเอคือจับพ้นนิพพานนะพุทสีปานนะอย่างนี้เลยอ่านี้อย่างนี้และเออพียอาจารย์ว่าอย่างเลย อ, อาจารย์ว่าอย่างเลยความความควา้นทุกข์ดวงนี้การมคือความที่มันว่างมาคิดอะไรนี่นี่ความความ้นทุกข์ดวงนี้แหละถ้าเราคิดแล้วมันไม่ว่างก็มันทุกข์อย่างนั้นแหละ เดียวนี้ไม่คิดอะไรนอนเขาหลับนั่งเขาสาบายนอนเขาสาบายกินเขาสาบายพบไม่มีอะไรมาติดกับเราเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเราไม่น่าที่แลอย่างเดียวอ่าแลกับรักษานี่ต้องรักษาร่างกายดูแลร่างกายให้ดีร่างกายนี้่ของเราเป็นเปรียบเหมือนกับว่าเปรียบเหมือนว่าเหมือนกับเรือเราจะเขยเรือลํานี้และวเราเขยไปไหนเขยต้นขวัง อ่สุิรักปนขวางทอไปเรือนนี้แกแตกแน่นอนอไม่อยาของเราถึงเวลาเรือนิ่งต้องแตกก็แตกแล้วนางดวงจิตวิญญาณของพุทธะนี่จะออกจากร่างนี้ออกจากเรือลำนี้และเรือลำนี้ก็ว่างเหมือนกันหมดเหมือนกันไม่เหลืออะไรร่างกายนี้ก็ไม่เหลือจิตก็ไม่เหลือแล้วนี่ว่างไปหมดที่นี่ร่างกายนี้ไปตับสรมชาตไม่เหลืออะไรเลยนี่นี่เลยใจเห็นว่าร่างกายก็ไม่ใช่เราว่างหมด ร่างกายก็ว่างหมดไปเลยแมมาอย่างไรไปอย่างนั่นมามาจากว่างไปจากว่างร่างกายก็ลิ้วเมื่อก่อนไม่มีก็มาไปที่ไม่มีนะนะคิดก็ไม่มีไปที่ไม่มีนะนะ่ะแหละไม่มีอะไรจะอยู่อยู่กับเราได้นี่คือนี่แหละคือทางไปนิพพานครบมั่ไมีอะไรร่างกายไม่ก็ว่างคิดก็ว่างแล้ว นี่ต่อไปเราจะไม่มาเกิดอยู่ในร่างกายนี้เพราะนี่แหละคือว่าเป็นของพระธรรมผู้สร้างให้ดูสร้างให้แล้วและเราไม่ได้ยึดเป็นของเราของเราถ้าติชั่วของเรานแล้วเราต้องมาเกิดแล้วเกิดอีนี่อย่างนี้เราจะไม่เอาแล้วเพราะกระทุ้แล้วเราเรียนจบแล้วเอ้มันทุกตั้งนั่งเดินกระทุกนอนกระตุกเดินกระตุกทุ ก, ท, กทุกอย่างให้เราไม่เอาแล้วเ ก, กิดโคตุกตายโคตุก นี่แหละกบ็นของพระธรรมนั่งคือสอนพราพูทจะรู้เรื่องนี่แหละคลือท่านจะไม่เอาแล้ว อ, อย่างนี้แหละอาจารย์อาจารย์ฟงดูเอาเอาอาจารย์พูดเลยอ